เราที่วาแล้วไปไม่ถึงไปคราวนั่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนี่ก็ไปถึงนครชีธรรมราชก็แวะไปจังหวัดต่างแล้วไปโรงเรือนที่อำเภอกันตังแล้วก็ข้ามไปเกาะภูเก็ตพัางงา กระทั่งเกิดที่ภูกเก็ตพังงามันสามพันศามีองค์หลวงปู่เทศเป็นหัวหน้าหลังหลังจากทำถวายพระเพลิององค์หลวงปู่มั่นแล้วช่วงวันทีร้อยเสิบสามช่วงีร้อยเสิบสามถวายพระเพลิงองค์หลวงปู่มั่น พอถึงเดือนเมษายนก็ลงไปผูกภูกเก็ตพังงามมีท่านอาจารย์มาหาปีนไปถึงนาราธิวาสท่านอาจารย์ผมมาท่านอาจารย์คำ p a i ใช่ไหม พระพุทธศาสนาเป็นสันญิภาพพระพุทธเจ้าลานพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันมาเป็นยุคกกกุกุกกุกกุกุกกุุ๊กกุ๊กกุ๊ก็สอ น, อนกุนุ๊กกุ๊กกุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊ิกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กุกกุ๊กกุุ๊กุก มันทำลายมนุษย์สมบัติทำลายสวรรค์สมบัติทำลายพรมสมบัติทำลายเนิ้อานสมบัติไปในตัวชาวโลกตั้งกฎนไม้ก้นหมูก้อนพั ก, ก่ไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนาะ มันก็ไปไม่รอดมันก็ลำบากคุณประพุทธพระธรรมระสงค์มีอยู่ทุกการเฉพมทิศจะมีกี่ลา้านก็ชีอไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เป็นจริงอย่ไม่มีกลางวนกลางคืนด้วยเทียบในทางลึกเพื่อให้นึกได้หลายทางน่าให้น้องครองมืองบางต่างๆและลงสู่มหาสมุทรโดยไม่รู้ตัวชั้ชนใดคําสอนใดๆก็ไรลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก ไม่ขึ้นอยู่พระพุรู้ทำไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่พระพุทธเชื่อทำไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนในเรียกว่าอริยสัจกุลหรืออริยะสัจธรรมเป็นจริงอยู่อย่างนั้นทําไมจึงมีพูดนับถือพระพุทธศาสนาน้อยนักในโลกนี้ก็เพราะท่านเหล่านั้นยังสร้างมรดามีอยู่ ยังบา ร, รมียังอ่อนก็บรรดาลมาให้เลื่อมใสถ้าบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วก็เริ่มใสพระพุทธศาสนาก็ต้องพากันเข้าสู่พระานไปหมดเป็นทุกยเป็นทุกๆุไม่ขาดเป็นนะยะนะยะนย ะ, นยะไม่ขาดเลยถ้าไม่มีพระา槃พระา槃ไม่มีอะไรพระานชัดทั้งหลาย ขอ้าพอไปถึงพม่มโรคก็หมดอายุไขก็ลงมาเกิดแก่เก็บตายในวัตาสงสารอีกสารพัดวัดเหวียงเพราะไม่มีหนทางออกก็วนเวียนกันอยู่ในวัตาสงสารยิ่งจะรับแคบไปกว่านี้อีกอันนี้มีช่องออกหรือว่าคือออกจากโลกคือพระนายทำไมเราจึงอาบนา้ำ เพราะร่างกายมันสกรปรกทาไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกรปรกทาไมจึงจะปฏิบัติเพื่อออกโลกออกไปสู่พระน涅槃ก็เพราะเกิดแก่เก็เก่บตายมันโลภโกรธหลงมันเป็นทุกข์ถ้าเกิดแก่เก็เก่บตายแล้วโกรธหลงไม่เป็นทุกข์แล้ว ก็ไม่มีพระนิพานในพระนิพานใครไปผู้หาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปบไม่เห็นเลยก็พปหันหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พะไม่เห็นเหตุนั้นจึงเบื่อหน่ายความหลงของตนไปสักชนะก็ชนะตนเองแพ่ก็แพ่ตนเอง อยู่ใกล้กันขอบป้าอยู่ใกล้กันขอบป้าต่างฝ่ายต่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงอยู่ที่ใจเรียกว่าอยู่ใกล้กันโดยทำแล้ว <c oughs> วิชาพมาโลคไม่ลำบากถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสนนะเปนตีพึงเราก็ไปได้ยังเกณชีรัตนังโลเกมิชติวิถางวุธุรัตนงังพุทธสมังนติตัดสมาสตดที่ประวันโตเทรัตน์อันใดในโลกนี้จะเสมเหมือนด้วยพุทธประธรรมประสง์เป็นไม่มีเลยด้วยกล่าวคําศัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เรานักกิเมรัตนังอันยังสนนะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าหนัง เป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยกาวคาสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเดินสงสัยอะไรก็พูดก็ถามซะใครอยากไปพระเนรพลโดยร่วนก็ถามซะอยากไปพระเนรพลโดยร่วนก็พิจารณาอา น, นิจจังทุกขังอนัตตา ในในนกรุ่นอนิจจังในในนกรุ่นทุกขงลกลังในในนกรุ่นอนัตตาเรทต้องใช้เลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคต ด, ด้วยเมื่อพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาศีนก็เคลื่อนขึ้นไปเป็นชั้นกลางชั้นสูงสมาธิก็ตั้งมั่นไปในตัวไม่ใช่สมาธิและศีลและปัญญาจะอยู่คนละมุมโลกไปพรอบกันเลยเหมือนหน้าเหมือนตาก็เห็นหน้าอยู่เพราะฉะนั้นแกก็ตาก็จมูกก็ไปด้วยกันก็เห็นอยู่ใน แต่พูดอักษรย่อเฉยๆศีล ส, สมาี่ปัญญามันอยู่คนละมุมโลกปัจจุบันอัสีลปัจจุบันนัสมาธิปัจจุบันนัสีนอยู่ที่ในอยู่ที่ใจปัจจุบันสจจบนสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ที่ใจปัจจุบันนปัญญาก็รับรู้อยู่ในที่ดวงใจอยู่ที่ไหนอยู่กันเห็นในนิจังคณะกิจหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว นั่นคือตัวศีลสมาธิกลมเืนกันในทั้นสูงเห็นทุกขณะเี่หนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วจะไม่สงสัยโลกอีกเห็นอนัตเห็นอ น, นิจจังทุกคั้งอนัตตากลมเืนกันในปัจจุบันก็เห็นรอกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกแต่มาด้วยใจรักลักษณะที่เกิดขึ้ น, น, นแปรปวนและแตกสลายและไม่ใช่ตัวใช่ตน น, นผู้บารมีแจกระมาแล้ว พวบาลมียังอ่อนอยู่ก็พิจารณาอื่นทำแต่ละวันละบาทส่งต่อพระเนรพนหมดนโมคําเดียวก็ส่งต่อพระนรพลนโมพระโสดามันเป็นนโมที่ไม่หลงทางไม่ถือศาสตราอื่นมาโฟนไปแไม่ล่วงละเมิดชิ้นห้าแม่ล่วงละเมิดอวายมุขไม่ไม่ถืออยู่ยงคงกระพันไม่ถือเรื่องดียามดีไม่ค้าขายเครื่องประหาร ค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรสตว์ที่ตัวค้าเป็ น, ปนอานารค่าขายน้ำโมค่าขายยาพิษนั่น mm. เรียกว่าพระสวดนะบาลเรียนน้โมชั้นต้นส่วนพระรหันเรียนนโมจบแล้วนโมอของพระรหันนอบๆไม่มาเกิดแก่เก็บตายไม่มาโลคมาโควมาหลงอีกอั น, นสอนแสดงให้เห็นว่าทำแต่ล ะ, ว, ละวัตรละบาทมันส่งต่อพระนิพพานหมดอืม mm. ความดีคนดีทำได้ง่าย ควมเนคนชั่วทำในย่าอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจย่เป็นผู้มีอิสระในทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเห็นความแก่เป็นทุกข์ขณะกินเดียวก็ให้โลกรอบหนึ่งเห็นความตายเป็นทุกข์ขณะกินเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งเหมือนกันไม่ลำบาก เห็นดินน้ําไฟลมคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกเต็มไปด้วยดินน้ําไฟลมเห็นสังขารขณะกิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งสังขารที่มีใจครองแล้วมันมีใจคลองเกิดขึ้นได้ก็แปรปรวนได้แต่ขายดินจากไ ป, ไปเป็นดินน้ำจากไปเป็นน้ําไฟแต่เป็นไฟลมไปแต่เป็นลมบาปไปบวกบาปบุญไปบวกบนอยู่ที่ใจค้นนางฟอนปัญญาคู่ัว ้าวห้องเก่าข้ากันทั้งแทงหนอดคอฝ่าพีร่ราแก้ว่วยนิ่นภาษาภาคอีสานไปภูเก็ตพังงาทีแรกเขาถามลูกปู่ฟังไม่ออกขอสันมาต่อรื่ออือะอืม ต่อสั่นมากต่อรื้อต่อสนแคบไปได้ไปได้แลว้ว่าท่านด่วนไปไหนพ่าท่านมาเมื่อไรเมื่อไหร่เมื่อไรนั่นสมมติจริงจริงในโลนน <c oughs> สมมติดินน้ำไฟลมสมมติมันก็จริงตามสมม ต, ติคัดค้านไม่ได้ เขียนก็จริงตามเขียนลบก็จริงตามลบก็คัดค้านไม่ได้เกิดก็จริงตามเกิดแก่จะตายก็จริงตามแก่จะตายเหมือนกันยึดใจยอมตายไม่เสียดายแก่ชีวาเพื่อรักษาอิสระขณะพระพุทธศาสนาสมานสามคัคีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูคือกิเลสทั้งหลายได้ เกิดมาเป็นไทยไม่ยอมเป็นกี้เด็ดไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกี้เดดจนสิ้นชั่วดินฟ้าจำหนุนจงใจเกิดมาเป็นไทยไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจขี้เด็กับพยายามปีนขึ้นไทกขี้เด็มันใส่หันคว้าหั น, น, นกหลังหั่นอยู่ทุกพบทุกชาแนวไม่ยอมทีนี่จะต่อสู้มันชนะก็ชนะอยู่ทีนี้แพ้ก็แพ้อยู่ทีนี้ ชนะในทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาชนะกิเลสก็ชนะอยู่ที่เมืองใจแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลไม่เียวแพ้อยู่ที่เมืองอื่นชนะอันอื่นไม่ลด้ดื่นพรมเถไม่เอามาปนเปยพูดกันเลยพระพุทธศาสนาชนะกิเลสของตนชนะทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาแต่ชาวโลกเอามาใช้กันก็กูทีเมืองที <c oughs> เกลือเลือด ก, กันอยู่ทีน่นั่นหนักหนักนักนหนักหนักหนัก นันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเับผู้ฟังและผู้พูดถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาหมวงกรรังหมวงกังเป็นภาษาจีนใช่ไหม <c oughs> กรรมและผลของกรรมมันมีอยู่เราจึงเชื่อพระพุทธศาสนาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วจริงจริงกัรมวนาวัตติโลโก้รัตโลกเป็นไปตามกรรม ทำไมทำไมจึงมีผู้ถือพระพุทธศาสนาหน่อยนะักก็เพราะผู้เขารับพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วใช่ไหมทําไมจึงมีป ร, ริญญาน้อยนะักก็เพราะเขากําลังเรียนกอธรอากาขอตรอาขาอยู่ถูกไหมนั้นจะว่ายังไง นกหนูปูปีกซัดสี่เท่าสองเท่าัดเสือบสัดครานซัดว่ายในนา้ารับดำในดินบินในอากาศก็จะมาอะไรมาเกิดเป็นมนุษย์หมดแต่ยังไม่มีคิวแล้วก็จะนำมาเรื่อมใช้พระพุทธศาสนาหมดแต่ยังไม่มีคิวจีจะเข้าสู่พระนิพพานได้ถ้าอย่างนั้นก็อย่าหาบเลยมันมีแล้วในพระไตรปิกมีหมดนะ ในที่พูดอย่างนี้พูดตามเปนจริงไม่ได้กระทบกระเทือนท่านผู้ใดลำเอีงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติลํายังเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคติลำาอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลำเอียงเพราะเขาเรียกพยาคติอคติขีปการ น, นี้ไม่ควรจะพึ่งลำาอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติมันจะทําผิดกับเพียงไหนก็ตามเรียกมันว่าเรียกว่าฉันทากติ ลำเอียงพ่อขวามันชอบกันเรียกโทสะกติมันจะพูดถูกสักเพียงไหนก็ไม่ให้คะแนนมันเพราะโกรธแค่มันลำเอียงพ่อเขาเรียกโมหะกติเพราะขบพระพุทธศาสนาไม่แตกก็พราอเขาไม่รู้จักคุณค่าพระพุทธศาสนาก็อย่างลำอย่างพ่อเขาเรียกโมหคติลำเอียงพ่อกลัวเรีกพยาคติคือยังไงกลัวอิทธิพลของมันมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็ตามเรียแขรงเรีอขามันอยู่ นั่นก็เรียกว่าพยาคติอ่ะคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤตนพระบรมศาลานั่นนั่นกล่ว่ายัางไงอันไหนที่ไม่สอนไม่มีเลยอีพ่ออแม่เออพูดมากปากหลายอห้อยใจตีบต้องพ่นดาเชือกกรดพูดมากปากหลายอ่ะถ้าเป็นขั้งพุทธการข้างพุทธการคนพูดมากๆอ่ะมันมีอยู่ในธรรมบท นายเตี้ยเขาไปหล่อขี้แพะไว้เขากดบางอยู่ต้นกอกเสาพูดไปเขาก็ดีดขี้แพะเข้าปากพูดไปมากๆเหมือนลุงปู่เนี่ยเขาก็ดีดขี้แพะเข้าปากแล้วคายใ ส, คยใส่คายใส่ต่อหน้าสังคมไม่ไม่ต้องการคายกูร์กินพอพูดพูดก็มดขี้แพะขนาดนี้โคกค ง, งจะเป็นเหมือนลุงปู่นี่เองเพราะลุงปู่พู ด, พ ด, พดมาก ถ้าใครไปถือสาวลองปู่ก็ยิ่งเป็นมากกว่าลูกปู่ทั้งพันเท่าจงเป็นผู้เอาความจำเป็นออกมาว่าจะได้ทำดีอย่าเป็นผู้จำเป็นว่าจะได้ทำชั่วจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนอย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดี อยาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเือทำดีก็ทำให้ใจก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจทำดีก็ทำดีฉลองใจทำชั่วก็ทำชั่วฉลองใจไม่ไปฉลองอยู่ที่เรีนฝ้าอากาศเลยถูกไ้ยนอกจากใจก็ไม่มีอันไ้จะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจย้อนองมาเป็นหนึ่งแล้วเอ ก, กนิบาตเนี่ ใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจตาหูจมูกเรืนองกายใจมันทําให้เป็นคนตายมันก็ทําไม่เป็นอืเพราะมันไ ม, ม่ไม่มีวิญญาณอยู่ที่นั่นวิญญาณไปไปที่อื่นแล้วทําทั้งหลายย่นลงมาทั้งใจพูดมากก็มากออกไปจากใจพูดน้อยก็น้อยออกไปจากใจครับ คำพูดแต่ระบทระบาดก็ล่วงไปลงไปลงไป ล, งไ ป, ลงไปคืออนิจจังอันละเอียดนึกขึ้นได้ก็ล่วงไปลงไปลงไปคืออนิจจังอันละเอียดเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกคณะกิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เห็นิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลเกิดขึ้นด้านกาแฟพวกนี้แตกหลายเพาเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นดินน้ําไฟลมคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเตไปด้วยดินน้ําไฟลมเห็นเกิดแก่เก็บตายคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายจะไม่มาสงสัยโลกอีกจะสงสัยโลกก็คือสงสัยใจของตนนั่นเองถ้ายึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจมันก็มีใจอยู่ มันก็ได้จะเกิดมามีใจเองพระอรหันต์ทั้งหลายไม่สําคัญตนว่าเป็นใจไม่สําคัญใจว่าเป็นตนท่านก็พ้นจากใจไปสักพระรหันรักษาใจหรือไม่ใจของท่านไม่มีโทษจะรักษาทําไหมแต่พวกถ้าพระอรหันรักษาใจอยู่ก็ค่คล้ายกับคนคุมนักโทษเกรงว่านักโทษจะมาทําอันตรายแก่ตนด้วยเกรงว่านักโทษ จะรักหนีด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่ได้รักษาใจเพราะใจไม่มีกิเลตท่านก็ไม่รักษาใจนกบินในอากาศรักษารอยไม้แม่รักษารอยมีดเขียนน้าก็แม่รักษาแผลเหตุนั้นท่านจึงไม่รักษาใจของท่านเหตุนั้นท่านจึงยืนยันว่าใจไม่ใช่ตอนใจก็เป็นสักว่าใจไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงจิตตานุกขศนา ทำที่เป็นก่อผลหรื่อผลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี่ก็สัตว์ว่าทําไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าธรรมานะัสสนาข้ามใจไปเสียแล้วไม่ได้หลงใจเมื่อไม่หลงใจก็ไม่หลงธรรมเมื่อหลงใจตอนไหนก็หลงธรรมตอนนั้นีย่นลงมาแล้วพูดมา ก, มากปากไรหลายลาย่นลงมาใหาใจแล้วเชือกเส้นดีขยายออกยาวเหยียบโค้งเข้ามาก็เป็นเชือกเส้นแดียว ขนายออกขยายออกขนาดกลางก็เรียกว่ามัทฉิมวัดขนายออกขยายออกยาวเหยียดก็เรียกว่ามหาวัดหรือวัดยาวย่นลงมากองไว้เขเรียกว่าเอกวัดก็ยาวออกไปจากใจพูดน้อยก็มาออกไปจากใจพูดน้อยก็หาลงมาหาใจหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านย่นลงมาก็หาดักหน่วยใช่ไหมนั่นชาปนทุกย่นลงมาหาเอกทุกใช่ไหมชาปนสังขารย่นลงมาหาเอกสังขารใช่ไหม ทำไฟเกิดไฟดับก็เกิดก็ดับทั้งฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับเรารู้จำจริงปฏิบัติจำจริงลดพ้นจำจริงเรารู้พันธุพานธุ์จจริงของพันธุพานเรารู้สังขารจำจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองถ้าเราติดอยู่ในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งก็เรียกว่าเราไม่รู้สังขารเรียกว่าเราไม่รู้พันธุพันธุ์ว่าเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีนั่นพระปรมาศรีลาเน่เน่่เน่ เราลู่ภายในผ่านตามไปเจียงของภายใน่าแต่เราไม่ติดอยู่ในภายในผานเราลู้สังขารตามไปจีงของสังขารแต่เราไม่สําคันตัวอยู่ในสังขารเราไม่สําคันตัวอยู่ในภายในผ่านด้วยเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีนั่นักนนไปเอวัางที่นี่นักคําสอนอันไหนกะไปเล็กเท่าคําสอนพุทธศาสนาไม่มีเลยอีพ่ออีแม่เอ๋ยอีพ่ออีแม่มันเป็นภาษาภาคอีสานคุณพ่อคุณแม่ก็พอฟังออก ถูกไหมไปนี่ยกตัวยืน่นปฏิบัติเพื่อพุ่นทุกนายว่าตาทงสามปัญหาม่มากปฏิบัติเพื่อจีวรมินทบาทเชนาสณะได้เพศรรปัญหาก็มากถูกไหมชับในใจโลกธาตุ มันเป็นขี้เทอของพระทหารที่เข้าสู่พระนครแล้วอืแต่พวกเรามีกิเลสมากกว่าก็าตากันอยู่นี่ใช่ไหมพระทหารหาความสุขในโลกใ้ไม่เจอไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่พบไม่ปรไมาเห็นเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงจะข้ามด้วยขามันก็ขาขีดตายจะข้ามด้วยเครื่องบินมันก็หมดน้ามันตายไปชนภูเขาตายอีกด้วยตกทะเลอีกด้วย ข้าความหลงชนะข้ามความหลงด้ยความไม่หลงปัญญาแก่กล้ามาแล้วมืดก็หายไปละทีนั้นเองถูกไหมสติปัญญาฉลาดมาแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมความไม่หลงเท่านั้นจะชนะความหลงความไม่ขี้เกียจเท่านั้นจะชนะความขี้เกียจใช่ไหมความไม่โกรธเท่านั้นจะชนะความโกรธใช่ไหมความไม่หลงเท่านั้นจะชนะความหลงใช่ไมนั้น นั่นักนักจะเดินจะกลมภาวนาล้านน่านก็ตามถ้าไม่เห็นโทษในโลกโกรธหลงมันก็เว้นไม่ได้เหมือนเขาเห็นโทษในร้มชานเพล่แผลบเดียวเขาก็ไม่ลงรุยใช่ไหมห<ม>นักหนักหนักนั ก, นกเขาเห็นโทษในลุมูดลุมพูดชัดเดีวเขาก็ไม่เสียดายลงสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอย่างล่วงละเมิดสิ่งนั่นก็ไม่หนักใจพระโสดาวันไม่เสียดายลงละเมิดชิ้นห้ามันก็ไม่หนักใจ พระเขาเห็นดิ่งว่ามันเป็นโทษแจกเขาก็เห็นหลักว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาเขาเห็นหลักอันนี้จังแล้วเขาก็จับไว้นักหนัก น, ก, นกเอาละทีนี้ยังพูดอีกอยู่ถ้าทาคัตัวเป็นผู้ฉลาดแต่ยังไม่พ้นจากกิเลส มันก็ยังไม่ฉลาดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไปพูดโทสะโมทังโกนิพพานะอย่ามาเกิดแก่เก็บตายอีกเลยให้เรียนวิชาเช็ดหลาบพระพุทธศาสานาเป็นวิชาเช็ดหลาบเน้ะเช็ดหลาบในวัฏตะทั้งสามเช็ดหลาบในความหลงของตน พระพุทธศาสนาเรียมวิชาเชล็ดลับความหลงของตนเมื่อความฉลาดเนี้ยความหลงของเจ้าตัวแล้วความหลงของเจ้าตัวก็ตั้งอยู่ไม่ได้บางคนบอกว่าสมมุติวางสมมุติวางถ้ารู้เท่าแล้วมันวางเองมันไม่ต้องสมมติทัานใดก็ดีเราก็ไม่ได้วางมืดนั่นมันวางเองมัน ไม่ต้องลืมลืมตาขึ้นแล้วก็สมมติวางมืดอีกมันก็ไม่ถูกเมื่อรู้วเท่ามันมันวางเองมันถ้า <c oughs> ทำตาฟิเฟิฟิฟิเฟยใช่ไหม <c oughs> สมมุติวางปล่อยวางสักปล่อยวางสักเมื่อมันรู้วเท่ามันวางเองมันไม่ต้องสมไม่ต้องทํากิจกาวางนี่เหมือนกันลืมตาขึ้นแล้วไม่ต้องทํากิจกาวางมือใช่ไหม นนั่นถ้าพูดไปแล้วก็มีเหตุมีผลใช่ไหมลืมตาขึ้นแล้วเราสมมุติวางเมื่ไหไหมนั่นไม่สมมตินั่นมันวางเองมันที่ท่านพูดเป็นพุคราธิษฐานปล่อยวางปล่อยวางทําให้ว่างทําให้วา่าไอ้แท้มันว่าอยู่แล้วมันไม่ได้ยืนยันว่ามันมันเป็นสังขารใครมันก็ไม่พระนิพนพานก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นสังขารของผู้ใดเป็นธรรมของกลางอยู่อย่างนั้นถ้ารูดเท่าแล้ว ก็ไม่ต้องสําคัญว่าวางมันวางเองมันนี่เราไม่สําคัญว่าเรียกมืดมาหาเราก็ไม่สําคัญว่ามึงหนีซักกูลืมตาแล้วเราก็ไม่สมมติวางวางมืดเราก็ไม่สมมติใช่ไหมอันนี้ปัญญายังละเอียดกว่านี้เห็นอันนี้จังคณะคิดยาทะลุภูเขาเพราะภูเขามันแตกเป็นนักหนักนัเห็นไมทรายที่เท่ามหาสมุทรจะนับยังไงภาษาดิบุตรนับยังไง เรามีกิเลเต็มพุงเราก็นับได้นับเป็นหิเมาาท็ทยะทานหาสมุติเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝนเราก็นับได้เรามีกิเลสเต็มแผ่น้าแผ่นดินมากกว่าพวกท่านทั้งหลายอีกด้วยเราก็นับได้อยู่เดี๋ยวเนี่ยลักษณะอันใดขข็งแข็งลักษณะอันนั้นเป็นปฐวีธาตุปฐวีธาตุ นั้นที่เป็นภายในคือภเนฟันหนังเลกระดูกเยอนกระดูกมามหัวใจตาฟังปื่อใจอใจใหใจน้อยอานใหม่อ่านเก่าธาตุดินลักษณะอันใดเออบาบลักษณะอันนั้นเป็นน้าเดดีเสดงือดเหนือคนน้าตาไปมาน้มากน้าไข่พอน้ํามดอบยงเนีก็พอแล้วออลักษณะอันใดแข็งแข็งย่นออกมาเป็นธาตุดินเอกะพัวธาต์เดินดินลักษณะอันใด เป็นท่านน้ําที่เหลยวเอกะอโปธาต์หนึ่งน้ำเอกะเตโชธาต์หนึ่งไฟเอกะวายโยธาต์หนึ่งลมเพราะนับฝ่ายสังฆหูลงมาหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมเท่านั้นแต่ว่าเขานับผิดมันก็ไม่ถูกถ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงอสงไกผู้นับก็ผีบ้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้ากี่วันมันจึงจะจบก็นับฝ่ายสังฆหูสงเคราะลงมาใน ทธาตุสิ่งไหนที่เป็นของแข็งก็ย่นมาเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่เป็นของอบอุ่นก็ย่นลงมาเป็นธาตุไฟฮสิ่งไหนที่เป็นของเหลวก็ย่นลงมาเป็นธาตุน้ำสิ่งไหนที่พัดไปมาหรือช่างว่าก็ย่นลงมาอากาศธาตุหรือวายุธาตุสิ่งหนึ่งดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมซัพปตายก็ย่นลงมาหาเอกตายคิ่งหนึ่งซัพปทุก็ย่นลงมาหาเอกทุกคิ่งนั่นนั่น สักพะอนิจจังยนงมหาหอากานิจังในปัจจุบันสันั่นัน่นนันพระพุทธศาสนาก็มีทั้งฝ่ายขยายและฝ่ายยน น, นัสังฆโอสังฆโาสังฆเเตนสังฆเฮตังสังเเตนั่สังเฮ ต, เตนะังงสงเคราะห์ลงมาเป็นหนึ่ง น, น่พระพุทธศาสนาสอนมัดไม่ได้สนอนในคนโง่นั่นนั่นนั่นนนั่นพูดไปก็ยังเป็นบ้าไ ป, ไปใช่ไหมแต่จะเป็นบ้ากับหลวงปู่เนี่ อ๋อและวที่นีเอวาไงไรข้างแล้วห้าข้างหข้า ง, งแล้วแต่แต่ควาแก่เก็บตายมันไม่เอวางกับใขรนะมันไม่มีมีนิดทิตังนะความแก่เก็บตายโรโกดลงมันไม่มีนิฏฐังนิดทิฏฐังเข้าไปถ้าดินน้ำไฟลงก็ไม่มีนิดทิตังกับไครคนป่วยคนเล่าในสกคนละกายก็ไม่นิดทิตังกับใครใช่ไหมนิดทิตฐังพวกเราสมมติอยู่ถ้าไฟเกิดไฟดับก็ไม่นิดทิตังกับใคร ทำฝ่ายไม่เกิดไม่เลับก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่ไ ม, ไม่นิิตงไม่จบกเกษียณเป็นจริงอยู่เธอจะรู้ตามมันจริงหรือไม่รู้ตามมันจริงมันก็เป็นเรื่องของเธอแต่และท่านแต่และคนใด้ไหมเหชพระพุทธธรรมประสงค์จงเป็นสุขทุกทว น, นาทั่วทางไตรโลกาอยู่ทึกว่าเธอโยนิสีทุกทว น, น้า จงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อทึงโยนิสีทุกทวนนาจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อทึงสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันก็บานหน้าไปสู่พนิพพานสุขในด่านสุขอื่นก็มี ด, ด่านเดินท้อเถิ่ แต่แม่เอาพลมาเอาพลไปชุกอันอื่นเป็นชุกเทียมชุก ป, ปอมชุกในพุทธธรรสงเป็นชุกก้าหน้าไปสู่พระนิพพานเป็นโลกุตระสุขเอาเอาไว้นี่ยนะว่าฝนตกหราบลางรับ การฝนตกอะตรแล้วเฝ้าไปมันจะเปียกหรื่เปียกนอกเออมันดูกันนอกกันว่าจิไปหเล้วเออเดินทางกับวันนี้คนนั่งปอดสิ่งไหนที่เพิ่มราคาให้จัดขึ้นสิ่งนั้นควรห้ามเบรกสิ่งไหนที่เพิ่มโทรสระให้จัดขึ้น สิ่นั้นก็ห้ามเบกเหมือนกันสิงไหนเพิ่มโมหะให้การเคลื่นเพิ่มโมหะคือเพิ่มยไงคือเข้าใจว่าในโลกนี้มันเป็นของสุขมันไม่ไม่สุขเลยถ้าสําคัญว่าโลกเป็นของสุขก็จะก็เพิ่มความหลงในชั้นละเอียดถ้า า, าราหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นเลยเห็นนั้นจึงเบื่อนายความหลงของตนไปซะ เธอทั้งหลายจงจำไว้พระพุมธองค์ศาสนาเธอทั้งหลายอยากจนดีในโลกทั้งปวงโลกทั้งปวงคืออะไรโลกภายในคือตาหูจมูกเลี้ยกายใจเธอทั้งหลายอยายจะดีเนี่ยพ ร, ระพุทธองค์ศตสนาไอาศัยใจปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในว า, า, าระทุกข์ทรานแต่เมื่อพ้นไปแล้วใจก็ไม่ได้เอาไปด้วยเป็นธรรมอนแม่ตายคือพระเนรพนพระเนรพนเป็นใจไหม พรนิพพานไม่ได้เรียกว่าใจที่บัญญัติว่าใจก็ บ, บัญญัติศีลสมาธิปัญญาให้ใจเป็นหัวหน้ า, าพาปฏิบัติเมื่อถึงพระนิพพานแล้วไม่บัญญัติว่าใจบัญญัติแต่เพียงว่าทำอันไม่ตายคล้ายๆคับคนเราแกจะตายเ็าไม่เรียกว่าคุณหมูเปลี่ยนใหม่ซะเพราะไม่สมชานะไม่สมชานะจะใส่ชื่อว่าใจอนุปาทิเสนะ ไส่ชื่อได้แต่เพียงว่าทําอันไม่เกิดไม่ตายทําอันไม่มีกิเลสใจที่ไม่มีกิเลสก็ว่าศีลตัดิีลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจย่อลงมาเป็ยหนึ่งฉันละพอใจละไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้พุทธิยะเพี้ยนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึดต่อเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ เมื่อบังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจักนําบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์คือมือเหล่าวิสัยศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิธีเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันเดียวกันศีลตัดสินลงในในที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญารอบรู้ลงในที่ใจ ถ้าสูตรสูตรของกายของวาจาของใจถ้าปรามัดก็มัดเข้าที่กายวาจาใจถ้ายอนลงเป็นหนึ่งก็มัดเข้าที่ใจถ้าว่าเป็นสองก็มัดเข้าที่กายกับใจถ้าว่าเป็นสามก็กายวาจาใจยอนลงมาเป็นหนึ่งข้าย่นลงมาหายใจขียนใจสมาธิใจปัญญาใจ นอกจากไกลไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากไกลก็มามีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากไกลก็มามีอันใดจะหลงใจถ้าหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าทำตอนนั้นถ้าไปหลงใจโดยประการทั้งปวงก็ไปหลงทำโดยประการทั้งปวงใจก็มอบพันเป็นของว่างซะจากทรัพยจากบุคคลทำทั้งหลายก็มอบพันเป็นของว่างซะ ไม่เป็นไม่ใช่สาสตร์ไม่ใช่บุคคลอันพิจารณาลงถูกอนัตตาเป็นศาสตว์ว่าใจเป็นศสตร์ว่าธรรมเป็นศาสตร์ว่ารู้เป็นศาสตร์ว่าเห็นพร้อมกลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลาเดินเอาไว้กับขาก้าวออกเดินก็ได้เวลานอนเอาไว้กับลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่นยอดพุทโธนั่นยอดธรรโมนอดยอดสังคโคอยู่ในตัวทำชันนทท้นสูงอัพุทมโธเขาชั้นสูงธรรโโมเขาชั้นสูงสังโคชั้นสูง ถ้าสูงอันนึ่งก็สูงเหมืกันหมดเหมือนมะพร้าวเหมือนร่างกายถ้ามันแก่อันหนึ่งอันหนึ่งก็แก่หมดผมขนและฟันนั้งนื้นองกระดูกก็แก่เหมือนกันมะพร้าวเขาก็เหมือนกันถ้าผลของมันแก่เนื้อเขามันก็แก่เปลือกเขามันก็แก่กลาเขามันก็แก่ฉันได้ก็ดีเสี้ยนสมาธิปัญญาก็เหมือนกันกรรมฐานใดที่เคยตั้งไว้ก็ตั้งไว้ในกรรมฐานนั้น เป็นสักว่ารู้เป็นแตทศกก็เห็นทชอกบกำลมให้ใจเข้าออกยิ่งดีเพราะจะไม่ยึดผู้รูปผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะไม่ซ้าคอนตนว่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นทิฏฐิมานะก็ดีอัตตาทุปาทานความเห็นว่าตนว่าตัวก็แต่กระเจิงเมื่ออัตตาทุปาทานแต่กระเจิงแล้ว กาโมปาทานทิฏฐุปาทานสีระปตุปาทานกามุปาทานถือมันในความทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิสีระปตุาตปาทานถือมันในจิตรถอัตวาทุปาทานถือมันวาะาะวาตนวะตัวก็แตกกระจงไปนั้นที่ไปณที่นั่นเองเมื่อพ้นแล้วใจก็ไม่ได้มาหลงใจใจก็ไม่ได้หลงธรรมอีกถ้ามหาจสติมหาปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลง ความขยันเท่านั้นจะชน ะ, ะความขี้เกียจความฉลาดเท่านั้นจะชน ะ, ะความหลงก็ชน ะ, ะอยู่ที่เมืองใจไม่ชน ะ, ะที่อื่นย่อลงมาให้ปฏิบัติง่ายๆตาหูจมูกเลี้ยกายเป็นเมืองขึ้นของใจอยู่ในตัว เป็นมือเมืองขึ้นของใจอยู่ในตัวแต่ว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นมันวิการแล้วมันก็มาอยู่บังคับของใจเหมือนกันนะมันจะอยู่บังคับของใจแต่เทราะว่ามันยังไม่ไม่ไม่ชํารุดเมื่อมันชํารุดแต่มันก็ไม่อยู่ในอำนาจของใจเหมือนรถเมื่อมันชํารุดแล้วมันก็มาอยู่ในอำนาจของผู้ขับผู้ขับ จะไปตีบางคนให้มันไปมันก็ไม่ไปชันเองก็ดีร่างกายประเมือนกันถ้ามันเหนื่อยมากกายจะบอกว่าลูกเถิดลูกเถิดมันก็ลุกไม่ไหวมันก็ไม่อยู่บังคับแล้วมันก็ต่อสู้เลนี่ลูกเถิดลูกเถิดดื่มเถิดอทานอาหารเถิดมันก็มันก็ทานไม่ได้ชั้นเอก็ดี ใจใจก็อยู่โดดเดียวนี่ใจก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกเรียนกายใจใจแท้ๆก็ยังยังทอดทิ้งยังไม่ถือตนว่าเป็นใจไม่ถือใจก็เป็นตนถ้าถือตนว่าเป็นใจถือใจว่เป็นตนตายคขานั้นก็ไปเกิดใจอีกก็มีใจอีกเหมือนกันก็มาเกิดอรูปภพมก็ยังไม่พ้น ไม่ยึดถือวิจัยเป็นตนจนเป็นใจไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ใจก็ว่าผู้รู้ก็ว่างเพราะว่างจากสัตวจากบุกคคลวิญญาณมันที่สัมผัส ไ, ไม่มีก็เข้าสู่พรนิพพานไปสัะคนง่วงนอนพระโมคคัลลาไปทําความเพียรอยู่ที่บ้านกาลวานมุตตคามง่วงนอนรับประนกตัวโมคมคัลลา วิธีนะครับง่วงนอนเพอจงอย่าทานอาหารมากถ้าทานอาหารมากก็ง่วงนอนนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ ลูปตัวตามฝ่ามือมีสติอยู่ที่รูปไปรูปมาอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ละความง่วงถ้าไมล่ละถ้าละยังไม่ได้จงเอนาน้าหยอดตาแลดูในทิศท้งสี่อันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ถ้าละยังไม่ได้เธอมีมนอะไรเธอจงบ่นมนอันนั้นเช่นอิติปุตโธควาลนาะหังสมาธมุทโธอย่างนี้ นึกในใจถ้ายังละไม่ได้เธอจงนอนตะแคงข้างขวาตั้งใจว่าเมื่อเราเคลื่อนไปเมื่อตื่นขึ้นจะลุกเส็มที่จะไม่ยินดีในการเอ็นข้างเอ็นหลังให้ตั้งใจวไาอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเธอจงเพ่งแสงสว่างและเอาจิตให้สว่าง หรือเธอจงจำรสชาติของกลางวันไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้ายัางละไม่ได้เธอจงึงเดินเดินจงกรมกลับไปกลับมามีกิจไม่คิดไปภายนอกอันนี้ก็จะเหตุให้เธอละความง่วงได้ถ้าละยังเสอถ้าถ้าละยังไม่ได้เธอจง นัอนตะแคงข้างขวาตั้งใจว่าจะลุกอยู่เสมอๆพระโมกขลราตั้งใจปฏิบัติตามอันนั้นก็สําเร็จพระหรหันในวันนั้นพระโมกขลราบวชเข้ามาเกตวันสําเร็จพระหรหันพระชาตรีบวชกึ่งเดือนสําเร็จพระรหันพระชาลาบทชเรีอบวชรืบวชกึ่งเดือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยง สิลงใดไม่เที่ยงสี่นั้นก็เป็นทุกข์สี่งใดเป็นทุกข์สี่นั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์คนหลุดเหมือนหัวผีโลกเวทนาสัญญาทั้งขามี ญ, ญาเกิดขึ้นแล้วกาแฟดับไปเธอจองพิจารณาทำจริงพระชายาบุตรทํางานพรดอยู่ข้างหลังท่านเทศที่คณะอคิเวชนาโคตรพระชายาบุตรก็สําเร็จพระรหัสไปแล้วส่วนสระพาหิยะเป็นพระวาส พ่อบารมีแก่ก้ามาแล้วพอพอรออเรามาศาสตรามองเห็นก็รู้ว่าพระพาหิยะจะสําเร็จพระหันในเวลานั้นแท้แท่ข้าพระองค์ฟังรู้วยเออเรากําลังเวียนเทวดไม่ต้องกวรที่จะเทศบางทีพอ่ออเรามาศาสตราเส้นลงปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีเกล้าเส้นลงปราณเดี๋ยวนี้ก็ได้เออถ้าอยางนั้นก็ไม่ยากเป็นได้สักวอรูปเป็นได้สักว่ เ, เ, กวเห็นเออครับพอแล้ว คือมายึดผู้รว่าเป็นเราไม่ยึดเราว่าเป็นผู้รู้ม่ยึดเห็นว่าเป็นเราเราเป็นผู้เห็นมพราะว่างไปว่างจากสัจจากุกคนอีกอย่างหนึง่งผู้ว่วงนอนมากๆ ม, มันแต่ชาติก่อนเคยเป็นงูเหลือมท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศสดาอีกอย่างหนึง่งก็จินจุจินจุแล้วก็ว่วงนอนเหมือนกัน พระเกงที่โกศลเข้าไปหาพระบรมสาราชันทหารอีกใหม่ๆก็ไปสัพพงมุฎที้ขุนเชื่องบพระบรมสารามหาปพิษเขาเอาัยนะวันนี้คงจะสวยพระกยายหาวมากใช่ไหมการสวรรยภัะกายหาวมาก พูดแบบคนกันเองประหามาพิษจะประโกดคุณเชื่อหกรับพระบรมศาสนากินอิ่มเรียกพตาใสา่หาที่นอนเพราะทานอาหารอิ่มเกินไปที่นี่บกบนางสนมกมาวัง ที่ทำอาหารให้พระบรมราช า, อ า, าบอกให้เขาร้องเพลงเขาร้องเพลงค่อยๆเขาทำอาหารอยู่แต่อยากไปมองดูหน้าพระบรมราชาไคนกินจุพอกินแล้วก็ม่วงนอนแล้วร้องเพลงเล่นอยู่พระบรมราชาแต่จะไปมองหน้าพระบรมราชาเมื่อท่านได้สติท่านก็จะไม่กินจุก็ไม่จะไม่ม่วงนอน พวกเขาทำอาหารเขาก็ร้องเพลงเล่นอยู่แต่ไม่มองดูท่านท่านก็เลยไม่ไม่กินจุทีนี่ลุกปู่ก็เหมือนกันบางทีเออชันจุมากก็จะสงบเหมือนกันแต่เป็นหนุ่มแต่เดี๋ยวนี้มันชันไม่ไม่ลงแล่าเดี๋ยวเนี้ที่ว่างนอนก็มีล้างยาหนึ่งสุขภาพเป็นที่สบาย มันไม่มีสิ่งที่รากวนกง่วงนอนอันนั้นก็มีก็มีหลายอย่างชุกช้าเป็นที่สบาเพราะไม่มีอะไรเป็นกังวลอยู่ที่ใาอันนั้นก็ทำไป็นง่วงนอนได้เหมือนกันรถ ป, ปูก็ง่วงเหมือนกันแล้วก็หาวิธีแก้ ต้องการเห็นลมหายใจเข้าออกก็ต้องเห็นต้องการเห็นอะไรก็ต้องเห็นไม่ไ่วทำไมต้องการต้องการเห็นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นไม่ว่าทำไมต้องการต้องการเห็นลมหายใจเข้าออกก็ต้องเห็นต้องการเห็นสิ่งที่ไม่ใช่สรไม่ใช่บุคคลเป็นจัตุรัสโลเป็นจัสุรัสวเห็นก็ต้องเห็นไม่ไ่าทำไมต้องการเาเห็นได้เพราะจำนา เยจะไม่ต้องการเหมือนปากาที่เราใส่กระเป๋าไห้ต้องการเขียนก็ต้องคว้าหาให้มันเห็นนี่ต้องการก็หามาเห็นมันก็ไม่ถูกทอดของศิลหาที่รวงละเมิดปานาทิบาท้าสิลบานไปพญายงกว้างลง ในลุ่มนรกพระโ ย, ายามก็ซับต่อยซับเอาเม็ดเอาผ้าซับต่อยกลัดเป็นท่อนๆตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอ้หลายแสนปีอดภาณธิวาออกจากนั่นมาแล้วก็มาเกิดเป็นปรตอีกหลายแสนปีออกจากเปรตมาแล้วก็มาเกิดเป็นทรัพย์เจริญชัย ถูกเ ข, าข้าฆ่าอยู่ทุกชาติทุกภพจนถึงห้าร้อยชา ต, ตายด้วยเ ข, าข้าฆ่าจากนั้นก็มาเป็นมนุษย์ก็มาถูกเข้าฆ่าอยู่หลายชาติหลายภพอีกและก็มีชีวิตสั้นพลังตายง่ายมีพุยอดเต็มทีอาทิตนาทานชิ้นลมปาแล้วก็ตกนรกพยายมก็ตัดมือ คนทุกข์เขาเวทนาอยู่ที่นั่นหลายแสนปีออกจากนั่นก็ไปเกิดเป็นเปรตหลายแสนปีออกจากเปรตแล้วก็มาเป็นสัตว์ที่ฉาแนะถ้าเป็นนกเป็นหนูเขามาลักเอาลูกไปหมดเอาฟองไข่ไปหมดถูกลักเขาเสมอออกจากนั่นก็มา เป็นสัจจิฌานไปลายอีกนี่แต่เขารักเขาสกุลข่อทั้งนั้นตายด้วยโอ้ไม่ใช่ออกจากนั้นมาเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์มีอะไรก็มีไม่ได้เขาักกุลข่อไปมดพู ด, ด้อดทงทีโทษหมษาตายไปแล้ว ไม่โอ้โหโทษกาเมเอยังโทษกาเมเตายไปก็ไปตกนรกถ้าเป็นผู้ชายพยายมก็เอามีดเฉือนเอาเหล็กแดงเฉือนเฉือนองคาชาติเฉือนตามเนือ้อตามตัวพวกผู้หญิง ก็เล็กแดงแทงเข้าไปในทวารหนักทวารบอลตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วกเกิดดูที่นั่นอันนี้ทรมากขว่าเพื่อนทรมากขว่าทุกวนปีนขึ้นจากนรกมาก็ปีนขึ้นไปต้นสิมพรีคือต้นยิ้ว เวลาขึ้นหนามก็แทงลงมาข้างล่างช่องลงมาทางนี้สักลงมาทางนี้ปีนขึ้นร้อยปีจรงถึงปลายในเวลาเวลาปีนเดียด น, นั้นกะกาทกเหล็กชบทอก็มาสับมาตอดเวลาลงมาอีกก็อย่างเดียวกันโคนจางแล้วลกแล้ว เขามาเป็นเป็ดออกจากเป็ดแล้วเขามาเป็นโคเป็นกระบือเป็นสัตว์ทั้งหากก็ตายด้วยการมารมออกจากสัตว์ประสานมาเกิดเป็นมนุษย์มีลูกมีหลานมีสามีมีหัวมีเมียมีหลานมีเหลนเขาก็เอาไปทำอะไไม่ดีไม่ได้หมดข่มขืนว้าอะไรต่ออะไรบ้าผู้ย่อจำเจียง โทษมุษาที่ตายไปพญายมก็เล็กแดงแทมกว่ามันพูดมุสาตัดเลี่นตัดอะไรตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ที่นั่นกรรมยังไว้หมดพอพ้นจากนั่นมาคำว่าพ้นหมายความมาหลายปีพูดพยยอดก็มาเป็นเปรตเอาจากเปรตมา ก็มาเป็นมนุษย์มีแต่เขาต้มเขาตุนทั้งนั้น<ม>อยู่ที่ไหนเขาโกหกพกกลมสารพัดต้มตุนไปพูดคำจริงเขาก็ไม่เชื่อเลออ็ดปากก็เหม็นร่างสักเพียงใดก็เหม็อนอีกด้วยไม่หายเหม็นเลยปากโทษุรา ไ ป, ไปพยาโยมาเล็ดแดงเอาน้าเล็ดแดงกอบปากตายแล้วเกิดเกิดหน้าตายอยู่ที่นั่นแหลไหลจยหลายท่ป็ อ, อกจากนั่นมาก็มาเป็นเป็ดออกจากเป็ดมาก็มาเป็นสัตติธิฐานก็เป็นสัตติธิฐานบ้าบ้าเป็นชุนักม้าบ้ า, บาเป็นโค บ, บ้ากระเบือม้านีครับออกจากนั่นมาก็เป็นมนุษย์ พี่บ้าที่มาแต่ก ำ, กำเนิดรักษาก็ไม่หายพวกบ้าบ้าเสียใจเดียดียวดยนพวกการเมีชีวิตชายจารยังไม่อีกคือบางทีก็มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนบันเท่าและกระเทยเคยก็มีโทษการเมียชีวิตชายจารนพูดค่ามากโทษชราก็หนักเหมือนกัน เป็นคนบ้าเป็นคนบ้าใบ้เสียจริตผิดมนุษย์ตั้งห้าร้อยข้าที่ก็ลอกขอลืมไปลอกขอพยาลมพยาลมอย่าทําอันตรายมาเออเราก็ไม่อยากทําอันตรายพวกท่านทั้งหลายแต่เราก็มีกรรมอยู่เหมือนกันตาคนต่างมีกรรมอยู่คนละแง่เราไม่ได้ค่าจัดลักช ร, ษษษษกรัพย์เอาพุทธภิกรรมเราไม่ร่วงระเมิดชิ้นห้าแต่ เราเห็นคนเขา่วงแล้วเมื่อเกิดบางขณะเราก็พิจิตยินดีด้วยการที่พิจิตยินดีนั่นเองบางขณะเราถ้าตามจิตไม่ทันเราจรึงได้มาเกิดเป็นพยายมก็กรรมของเรามีกรรมของใครมีก็เป็นอย่างนั้นกรรมของพวกท่านได้ลงมือทาจริงกรรมพวกเราเป็นแต่เพียงพิกิตยินดีเทานั้นจึงได้มาเป็นนายครุของพวกเธอเะ่านางคนก็ตา มีกรรมอันคนละแง่และมุมเราก็ไม่อยากมาเพราะเธอก็ไม่อยากว่าต่อไปนี่พวกเราจงสำรวมในอนาคตเมื่อเราพวกเราจะเกิดเป็นมนุษย์พวกเราจงส้ำรวมอย่าไปล่วงละเมิดชีห้หน้าทีนี้พระโมคคลลาขึ้นไปภูเขาคิดจะกูดไปเห็นเปรตทั้งหลาย แลวก็ยิมถ้าพวกพเจ้ายิมอะไรพาที่ไปด้วยเออไม่รู้อีหอ้หนูอี่อะไรนรอกพวกเธอให้ลงไปวัดเวร ว, วันสวนไม้ไผของพระเจ้าพิมพิสารตีนเขาทิะกูดซะดก่อนผมจะกาทุนพระบรมศาสนาให้ทรงทราบผมพูดให้พวกคุณฟังพวกคุณก็ไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวนี่เพราะผมไม่มีพยานก็พอลงมาถึงพระบรมศาสนา องสมเด็จพุะบรมศาจนที่เขาที่เก้าเขานักมากเป็ดที่เป็นม้าสองปากมันมีไม้พยัคฆาก็พวกเธอไปเถียงกันอยู่ที่พวกเขาคิดจะกูดลงมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราเรามองเห็นพวกเธออยู่เดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นเป็ดอยู่เป็เป็ดตัวนั้นไม่ใ้่แต่เราไม่ต้องการดูถ้าเราต้องการดูมันก็ต้องเห็นมันมันเป็นอะไรพ่อเฉล่าเป็นเป็ดม้าสองปาก มันเป็นทนายความเขาเน่ยมนุษย์โลกมันกินทั้งโจด ท, ทั้งจำเลยจนหมดเงินมันตายแล้วมันก็ได้เป็นไปตกนรกออกกาบนรกมาก็เป็นเป็เปดมากท้องปากอยู่ที่หายแขนเปีดเฉพาะพวกเป็ดนั่นไม่อยู่แต่เฉพาะผู้เขาอยู่ตอ่อของเราโอยสารพัดอากาศก็มีอยู่ที่ไหนก็มีสารพัดอยู่ต้นไม้พัดง่าอะไรก็มีเท่านั้นนั่นรุปกรรม ทีนี้ไอเป็ดตัวมือยาวๆมันทํายังไงเขจาจะฆ่ามือเท่าไบตาน่ะลากไปลากมาอยู่ลากไปลากมารอกค า, า, า, างโอยโอยมือเท่าไบตานให้พูดไหมใครพูดไห ม, ไหมจะไม่ว่าลูกปู่พูดช้าผับปลาปะเพเื่อจอหรือพูดคําหยาบหรือให้ลูกปูพูดไหมยกมือขึ้น ได้พูดจะไม่โทษเพียงโทษของลูกปู่ว่าพูดไม่ซ้ำรวมหรือจะไม่เพียงโทษลูกปู่ว่าพูดเฟอร์เจอร์พูดคำหยาบเพราะรัศวีจาพูดคนหยาบสัมผัสปลาปากพูดเฟอเจอร์นี่หวังให้ลูกหลานถึงถึงศีลถึงธรรมไ้่ได้พูดไปอย่างนั้นไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นมันอยู่ในมนุษย์โลกมันไปจับนมเขาที่วัดนะ แต่เขาก็มาให้มันจับเขาก็ตีมือมันอยู่แต่มันก็ร่วงใส่มันก็ร่วงใส่เลื่อมันตายมานี่ยมันก็มาตกนรกออกกาก น, นรกมาก็เป็นเปรตมือยาวลากไปลากมาอยู่ยกแม่ขึ้นล่องโอยลอยอัยนนี้เปรตจัพวกหนึ่งเอกเปรตที่มีเหล็กฝังอยู่ที่หัว ไว่ตรงเตงตรงเตงอยู่นั่ น, นล่อคางอยู่มันทานไม่ได้มันเป็นกรรมอะไรพระเจ้าค้ามันไปถอนรักเขตดินเดนเขารักไ่ที่ดินของไรนาร้วสวนเขามันก็ชิงเอาบ้างมันก็ถอนทิ้งว่ามันตายแล้วก็ไปตกนรกออกจากนรกมาก็เป็นเปรตมีเสาฝังอยู่ที่หัวยังมีอีกมากมายเอาเท่านี้ก็เอาละที ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพื่อที่จะพ้นจากเปรตก็คือพระสวดวันหนึ่งไม่เชื่อได้โลกละเมิดขีนห้าสองไม่เชื่อได้อยากจะถือศาสตรนไ้สามไม่เชื่อได้อยากถืออยู่โยงคงกระพันไม่เสียอไดอยากจะถือเลกดียามดี ไม่เสียดายอยากจะองเวีนท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดอบายยมุกไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรื่องสัพที่ตัวข่าพอเปนอาหารค้าขายล้ำมอค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระช่อยทางไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยและไม่เสียดายจองเวีนท่านผู้ใดด้วยสิ่งใดที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจทําไมจงไม่เสียดายร่วงละเมิดเพราะเห็นชัดว่ามันเป็นทางชิพหายโดย ทายเดียวไม่มีทางเจริญพระได้ดวงตาเห็นทำแล้วพระเห็นอันนี้จังชัดอีกด้วยนันทภูมิพระโสดาันเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วก็ปิดประตูสัตว์ทีนเปิดอชุรกายพระปิดประตูใจแล้วไม่ได้รงละเมิดดังพระโสดาันมีสามจำพวกจำพวกหนึ่งเอกับพีเคเกิอดอีกชาติเดียวจำพวกหนึ่งอีกเกิอดอีกสองชาติ แล้วพวกอีกหนึ่งอีกเกิดอีกยักชาติก็เข้าสู่พระนิพพานแล้วบางขั้นก็เป็นพระสวสดาบาลรอรอตําแหน่งที่จะเป็นพระหัน์ในชาติ น, นั้นก็มีบุญของพระสวสดา บ, บาลเป็นบุญบานหน้าไปบุญบานหน้าไปจนถึงพระอนาคามีเอาละใช่ไหมไหนเล่า <c oughs> เอเพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นสุขทุกทวัทนหน้า ชั่วทางตรโลกาอยู่ทุกเมื่อถึงโยนี่สีทุกทวันหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อถึงโยนี่สีทุกทวันหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อถึงสุขในพุทธธรรมสงฆ์มันก็บานหน้าไปสู่นิพพาน ชุกในดาสชุกอื่นก็มีดาดเดินทมถทแต่ไม่เอาผลมาเอาผลไปชุกอันอื่นเป็นชุกเทียมชุกปลอมชุกในพุทธทํามสงเป็นชุกก้าวหน้าไปสู่พระานเป็นโลภุตรสุขไปเออเอาไว้นี่ละ